multimodal <laughs> ัสุดท้ายมัชิมยามผ่านพ้นไปแล้วคือผ่านสองนาฬิกาของวันที่สามสิบตุลาคมแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธปรินิพพานด้วยเสียงและปกติตามปกติในระยะหลังๆนี้ ามักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้แห่ใครๆฟังเสมอท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังประสงค์แล้วพระองค์จึงได้ทรงละวิภวะตัณหานั้นเด็ดเข้าสู่อนุปาติเศรณิพานคือทรง เป็นผู้หมดสิ่งทุกปัญหาเป็นผู้หมดสิ้นทุกปัญหาทรงเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาจิเลสนิพานของพระองค์ลำดับแรกก็เจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิกะนิโรธ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 สู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างได้ผ่าพเพียรต่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเส้นหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดจากการที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุกข์อันเป็นทุลีทุกข์คือมนุษย์ธรรมดามีจิตหยาบเกินกว่าที่จะสัมผัสว่ามันเป็นทุก นี่แหละกระบวนการกระทําจิตตนใหถึงสัญญาเวทยิตติโรธเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดศาสดาในโลกเท่านั้นที่ทรงค้นพบทรงนำมาติแผ่เผยแก่งออกสู่โลกใหพื้งปฏิบัติตาม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 ให้อ่อวิภวัตัญหาได้ชั้นหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงเลื่อนเข้าสู่ทุกติยชานแล้วจึงดับสัญญาขันเลื่อนเข้าสู่ตัติยชาตเมื่อพรมดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็เลื่อนขึ้นสู่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 หรือ น, นามขันที่ม่จิตส่วนในคือพวังกับจิตเจาก่อนแล้วจึงออกจากจตุตตะฌานพร้อมกับมาดับจิตตขันหรือ น, นามะขันสุดท้ายจริงๆที่ตรงนี้พรงไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานในฌานจะมาบัดอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระมงออกจากจตุตตะฌานแล้ว จิตขันหรือนามขันก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันเป็นปะกะติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติสมบััญญะเมื่อถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอัมพรางให้หลงไหลใดๆกันซิ เป็นภาวะแห่งตนเองอยังบริบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญิกาหรือจักรวาลเดินหรือจะเรียกพระนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อถึงภาวะอันนี้วาจาของหลวงปู่สิ่งสุดลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้น ไม่มีวาจาใดออกมาอีกเลยลุงปู่นอนหลับตาสงบหายใจเบาๆตามปกติผู้ที่เฝ้าท่านนั่งอยู่ห่างคอยสังเกต ด, ดูด้วยความสงบเมื่อเวลาผ่านไปถึงทีสามกว่าจึงสังเกตเห็นว่าท่านหายใจอ่อนมาก ลมหายใจของหลวงปู่สิ้นสุดลงเมื่อเวลาสนาฬิกาสสานาทีเป็นลักษณะการมรณะภาพที่สงบสันติเป็นการบังเอิญหรืออะไร เสมือนหนึ่งว่าหลวงปูก่กำหมดวาระการปล่อยวางสังขาญในระหว่างที่งานได้เตรียมพร้อมมูลแล้วคืองานทิ่สานุสิทธิ์จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระที่หลวงปู่หายจากอ า, าพาธและทำบุญฉลองอายุครบ8รอบของหลวงปู่ด้วยระหว่างวันที่2 9 3 0 3 1เอตุลาคม2 5 2 6 ทั้งฝวายบรรพิตและคารว่าได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันอยู่แล้วไม่ต้องจัดเตรียม ง, งานอีกท่านไม่ประสงค์จะเบียเดเบียนผู้อื่นให้ลำบากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดหรือบุคคลใดเหตุนั้นงานพบุญแฉลองครบรอบอายุของท่านครั้งนี้จึงกลายเป็นงานใหญ่สองงานรวมอยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้ขาดฝันนอกจากนั้นท่านยังให้โอกา ส, ส ท, ทุกคนที่มาพร้อมเพรียงกันในวันนั้นได้กราบนมัส ก, การท่านเป็นครั้งสุดท้ายและให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสกราบเรียนถามถึงข้อปฏิบัติที่สงสัยขัดข้องด้วยท่านได้อธิบายธรรมะและข้อวัดปฏิบัติ แห่ฟังอย่างครบถ่วนเสมือนหนึ่งเป็นกานทบทวนให้เรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อมีวิบากของสังขารหล้งปูเคยพูดว่าท่านจะไม่มีวิบากของสังขาร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 สภาวัธรรมสังขารธรรมหนึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่4ีสุราคมพุทธศนะักราช2 4งพันบณบ้านปร า, าสาทตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองมาโดยลำดับตามวัย้นดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้ภาคการสวัสเป็นเวลานานถึง6 4สพันปาท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาวพุทธตลอดมา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 พุทธศักราช2526 ค ร, ครับนี่จากหนังสืออัตุโลกรลึกซึ่งเป็นประวัติของลุงปู่ดุลอัตุโลหรือท่านเจ้าคุณพระราชวุฒาจารย์แต่เราท่านทั้งปวงก็มักจะรู้ ด้วยความเคารพในท่านด้วยชื่อว่าลุงปูดุลลุงปูดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านพระครูเนินทพัญญาพรท่านได้รวบรวมเรื่องราวราวนี้เข้าไว้ก็พอเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นประโยชน์พอท่านผู้ที่สนใจในเรื่องราวอย่างนี้ได้ มากอยู่ทีเดียวกระผมเองก็ขอกราบเคารพนมักการท่านพระครูนันทปัญญาพรไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งครับแปนาว่าเรื่องราวที่เป็นประวัติของหลวงปู่ ด, ดุลนัสุโรก็จบพินิษเทปนี่ยัง ที่พูดถึงเทปที่เป็นเทปเนื้อเทพยังเหลืออยู่เยอะกระผมก็จะเอ า, เ, อาเทปที่ได้บันทึกเสียงของท่านพระครูน้นธปัญญาพราได้เล่าเรื่องราวของลุงปู ด, ดูนตะทรูให้เราได้ฟังเนี่ยบันทึกลงไว้ในเทปมูลนี้ด้วยเลยนะครับก็ขบกราบเรียน เพียงเพื่อสำหรับท่านที่ต้องการเพศได้ทะไว้ดังนี้โดยทั่วกันเท่านั้นครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุทหารกาศศ1น์ 01. บางซื่อแต่สำหรับวันนี้ เท่ากับว่าจะเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งคือจากการที่เราเดินไปทำบุญกันที่ผ่าอี ส, สานไปจังหวัดอุบลมาลงที่สุรินมาจบกันที่โคราชทีนี้วันนี้นับบัดนี้กระผมจะนำเอาเท็ุที่เราได้บันทึกกระผมก็จะ ใช้คำว่าข้อทําคคำสอนจากครูบาอาจารย์คือเราได้ไปกราบมัสการ์หลวงปู่ดุลอัตุโลท่านเจ้าคุณพระราบุทธาจารย์นะครับกัวงเล็บดุลอัตุโลวัดบุรพารามตำบมในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่เราได้ประกอบการบุศลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพระครูนันทปัญญาพรท่านพระครูนันทปัญญาพรวงเล็จสมศักดิ์ปัญิโตก็ได้แสดงธรรมให้เราฟังอขอความนั้น อตอนแรกท่านก็กล่าปฏิสันฐานทมกับเราพอตอนสุดท้ายเนี่ยสำคัญทีเดียวที่ท่านได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของลุงปู ด, ดุลโดยเฉพาะเลยทีเดียวละ่ะขอเชิญท่านได้โปรดตั้งใจติดตามฟังได้เลยครับ อขอให้โยมทุกท่านโปรดตั้งใจด้ก่อนสักเล็กน้อยเพ่ อ, อ, อ า, า, ายสุธรตามน่อาตมาระรอาตมาภาพในนามอนาสงวัดบูรพารามแล้วก็ในนามคุณามความดีที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ก็จะขอกล่าวทำมีกระถาขอเป็นเครื่องละลึก สำหรับญาติโยมผู้สวงบุญสักเล็กน้อยที่ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้สวงบุญด้วยการบำเพ็ญกุศลตามสถานที่ต่างๆนั้นก็โดยถือว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับความดีด้วยถ้าจะถามเราว่าอะไรคือกำไรของชีวิตคำตอบสั้นๆไม่อยู่ว่าความสุข กับความดีคือกำไรของชีวิตชีวิตของผู้ใดมีแต่ความสุขแต่ไม่มีความดีหรือมีแต่ความดีแต่ไม่มีความสุขก็เท่ากับ ว, ว่าได้กำไรชีวิตเพียงครึ่งหนึง่งท่านผู้ใดมีทั้งความสุขและก็มีทั้งความดีนั่นเชื่อได้กำไรทั้งหมดส่วนท่านผู้ใดมีไม่มีทั้งสองอย่างก็ขาดทุน ดีความหมายจับใจความในว่ามีแต่ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ไม่มีความดีนั้นได้แต่บางท่านที่ดมสมบูรณ์ด้วยลาบยศการะทรัพสมบัติเป็นจานวนมากสามารถได้รับมรดกตกทอดต่อตามสติปัญญาเฉียวฉลาดประกอบอาชีพการงาน ที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติก็ตามมีทรัพย์สมบัติใช้สอยไม่คุเครืองสามารถใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแสวงหาความสุขแบบโลกโลกเพลิดเพลินตามชอบใจเหล่านี้ก็เรียกว่ามีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ไม่เคยสร้างความดีเลยอันนี้เรียกว่ามีแต่ความสนุกหรือความสุขแต่ไม่มีความดีในชีวิตบานขั้นนั้น เกิดมาตัวสร้างแต่ความดีอย่างเดียวชอบข้าวัดข้าวารักษาศีลบริจาคทานจนกระทั่งบางอย่างดูเหมือนจะบกพร่องทางครอบครัวหรือทำให้ฝืดเครืองขาดแคลนในการดำรงชีพของความเป็นคราวะาทิสัยซึ่งต้องอาศัยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาพอสมควรแต่ท่าน มุ่งความดีอย่างเดียวโดยไม่คา น, นึงถึงว่าหลักฐานทางครอบครัวขั้นก็ชื่อมีแต่ความดีแต่ก็ยังขาดความสุขความสะดวกสบายในครอบครัวก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นชีวิตบางชีวิตนั้นเมื่อมีความสุข ก, กายสบายใจในครอบครัวและชีวิตประจําวันแล้วก็มาสร้างคุณงามความดีด้วยจึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ได้แสวงบุญในวันนี้และทุกโอกาสที่ทางคณะของท่านทั้งหลายซึ่งได้ตั้งชื่อ ย, ย่อว่าคณะศูนหนึ่งโดยมีหัวหน้าคณะซึ่งท่านก็ทราบดีแล้วได้ชักชวนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แสวงหากําไรชีวิตให้ครบทั้งสองอย่างเมื่อประกาศออกไปแล้วทุกท่านก็สำรวจดูที่ตนเองว่า ยังเรานี้สามารถจะไปสะแสวงหาความดีงามทางธรรมะทางศาสนาได้กี่มากน้อยท่านก็ตจัดสินใจได้ก็แสดงว่าท่านที่สามารถมาได้นั้นท่านมีกำไรชีวิตครบทสองอย่างคือท่านมีความสุขด้วยแล้วก็ท่านมีความดีด้วยที่ท่านมาก็ชื่อว่าได้สองอย่างนั่นเองเพราะนั้นชื่อว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นชีวิตที่งามและงามตลอดสายคืองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดนี่คือท่านสามารถหากําไรของชีวิตของตนเองทั้งในชาตินี้ด้วยชาติต่อไปอีกด้วยนี่ประการแรกนิประการต่อมาอาตมาภาพเคยพูดบ่อยๆให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วว่า มีความจำเป็นด้วยหรือที่ท่านทั้งหลายจะไปทำบุญณแดนไกลการทอดพ่าปาก็ตามการจำบุญก็ตามพระสงฆ์ใกล้ๆบ้านของท่านก็มากวัดวะอาวัดวารามร อ, รอบรอบบ้านของท่านก็มากเช่นเดียวกันและมีความจำเป็นอะไรที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทรมานสังหารร่างกายไปบาเพ็ญกุศลในแดนไกลด้วยแล้วก็ เอทรมานด้วยการถ้าไม่หนาวก็ร้อนถ้าไม่ร้อนก็หนาวซึ่งเมืองเรานั้นจะเอาความพอดีไม่ได้คือมันมักจะไม่พอดีถ้าไม่หนาวเกินไปก็ร้อนเกินไปถ้าไม่พร้อมเกินไปก็อ้วนเกินไปถ้าไม่สูงเกินไปก็เตี้ยเกินไปไอ้ที่ว่าให้ตรงกับความต้องการของเรานั้นยากยิ่งนักก็มีคำตอบอยู่ว่า การที่ท่านทั้งหลายมาทำบุญในแดนไกลและแดนกัณฑา น, นั้นมีเหตุผลสองอย่างเหตุผลแรกคือความฉลาดคําว่าความฉลาดนั้นหมายถึงว่าเราไปทำบุญกุศลบริจาคทานในสถานที่มีความจำเป็นท่านทั้งหลายถ้าเราจะให้อาหารก็ควรให้แก่คนกำลังหิว ถ้าจะให้น้ำควรให้แก่คนที่กำลังกระหายน้ำถ้าจะให้ผ้าหม่มควรให้แก่คนที่กำลังหนาวและถ้าจะให้ยาก็ควรให้แก่คนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าท่านสามารถให้ถูกต้องตามลักษณะอย่างนี้ท่านกล่าวว่าได้กุศลแรงรั้นการที่ท่านเดินทาง มาในแดนไกลและบริจาคทานในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่าธุระจำา ا และมีความจำเป็นอย่างยิ่งนั้นเป็นการทำด้วยความสลาดและเป็นการทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในตำนานเคยกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าไปเทศโปรพระมารดาของพระองค์ซึ่งอยู่ที่ชั้นดุสิตพระพุทธองค์ไปแค่ชั้นดาวดึงถามว่าทำไมไม่ขึ้นไปถึงชั้นดุสิตเพื่อโปรมารดาที่นอนคำอวิษัานาก็มีเหตุผลสองอย่างหนึ่งเพื่อให้เทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงสามารถฟังธรรมะได้เป็นจานวนมากด้วยสอง เพื่อให้มารดาของพระองค์มีการขวนขวายมากมีการพยายามมากและมีการกระทำมากคือเดินทางมาที่ชั้นดาวดึงพยายามมาถึงชั้นดาวดึงโดยถือว่าผู้ใดพยายามมากขวนขวายมากพยายามมากผู้นั้นย่อมได้กุศลแรงที่พระองค์คิดอย่างนี้ทรา น, นยังที่อญาติโยมชอบพัฒนาจรบ้าง ไปบำเพ็ญกุศลในที่ไกลๆบ้างเหนื่อยบ้างลําบากบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างหมดเปลืองทรัพย์สมัติมากบ้างก็โดยถือลัอะโดยถือหลักเกณฑ์อันนี้คือพยายามมากเหนื่อยมากเสียสละมากได้กุศลแรงการที่จะมาพูดนี้ไม่ใช่พูดอลอยๆมีหลักฐานอยู่เดี๋ยวในวาพระนิสงส์ใจจะพูด หาญาติยโยมสนใจมาไกลๆตัวเองจะได้มากๆอะไรคำนองนั้นหาไม่ได้แต่โดยอาศัยความเป็นไปในความนี้พระองค์ยังยกย่องในกิริยาวัตถุสิทธิว่าผู้ใดควรขวายแค่แต่ว่าเราช่วยควรขวายคนอื่นให้เกิดสำเร็จประโยชน์ในทางดีงามก็มเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องบน่น ใครเหนื่อยแรงใครลำบากแรงใครเสียสละมากใครลำบากมากไครเดินทางไกลามากท่านกูนั้นย่อมได้กูสนแรงเอ่อทีนี้การบริจาคนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณท่านทั้งหลายเคยฟังเทศมามากฟังธรรมะมามากท่านฟังธรรมะขั้นปรมาัาทั้งสูงจากครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้ว ส่วนธรรมะกวรจะมาภาพจะชี้แจงในแง่ตรงบันข้ามกับท่านเหล่านั้นคือธรรมะตามธรรมดาในชีวิตประจำวันของพวกเราคือได้กล่าวมาแล้วว่าการมากการน้อยไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกในธรรมบท มีกระทาชายคนหนึ่งที่ว่ามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวต้องแบ่งกันห่มกับสามีพัญญาอาอกนอกบ้านคนละเวลาก็มีผ้าห่มแค่ผืนเดียวทีนี้เมื่อมีสัาฟังเทศพระพุติเจ้าเกิดกระทายากจบริจจาคเขาก็กัดสินแล้วตัดสินอีกตัดสินแล้วตัดสินอีกอก่ายจะเียสลัดของอ น, นันต์ได้ก็เกือบจะสว่าง ของคืนราตรีวันนั้นในทีิสุดตัดสินใจบริจาคผ้าหม่มซึ่งมีเพียงพื้นเดียวให้แก่พระพุทธถวายแก่พระพุทธเจ้าก็เลยได้อา น, นิสงส์แรงคันตาเห็นไปเจ้าเป็นดินทรงสงเคราะห์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากในขนานั้นข้อสงสัยของอัตมาภาพเมื่อสมัยอัตมาเรียนแปลธรรมบทตอนเป็นสมณีนก็สงสัยอย่างมาก คนอื่นบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะแยะทำไมจึงไม่ได้ผลทันตากทายชายยาิจนคนนั้นบริจาคแค่ผ้าห่มเก่าๆทำไมจึงได้ผลทันตาสงสัยมานานท่านคอยคิดกรรมมาตลอแล้วกันว่ามีข้อคิดอย่างไรสงสัยมานานก็เลยมาจับใจความได้ว่าเพราะ จะทาชายคนนั้นบริจาคมากกว่าใทรทั้งหมดนะเสียสละมากกว่าใททั้งหมดท่านดังหลายลองคิดดูทือก็ลงนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ว่ามหาเศรษฐีของโลกมีกี่คนแล้วก็เมืองไทยยังอุตารวมบะเถาด้วยถ้าท่านเหล่านั้นบริจาค ปัจจัยคนละห้าล้านหรือร้อยล้านสามสิบล้านหรือบริจาครถยนต์ยี่สสามสิบคันมันน้อยกว่าพวกเราบริจาคหนึ่งร้อยบาทน้อยกว่าเราบริจาคยี่สบสามสิบบาททำไมจึงไ่าอย่างนั้นกาเรเสียสละ มันขึ้นอยู่กับความรู้สึก่านใจท่านเหล่านั้นบริจาคมากมายเท่าไรก็ไม่รู้สึกกระทบกระเทือนและเสียสละยากเหมือนกับคนที่มีผ้าพื้นเดียวเขาบริจาคจนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นแล้วคือในชีวิตของเขานั้นบริจาคจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว จึงต้องใช้ความเสียสละอย่างแรงแตัดสินอย่างยากเย็นเพราะไอ้ผ้าพื้นเก่าๆนั้นมันมากมายอะไรอย่างนั้นจนหมดเนื้อหมดตัวส่วนท่านเหล่านั้นที่ท่านมหาศารอยู่แล้วไม่รู้สึกเท่าไหร่นักเพราะท่านมีมากท่านลองไปคิดต่อตามเท่าที่ท่านสังลายพากัารเสียสละเดินทางมาเอง ไม่ได้หมายว่ามาพวกเราเป็นมหาเศรษฐีเท่าไรนัเทุนเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกกระบวนการทุกเวลาที่ท่านสละนั้นมันก็มากมายเหลือเกินเพราะเ่าถ้ำต้องคิดแล้วคิดอีกก็จะตัดสินใจมานี่คือพูดตามประตุ